592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอเมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปกับทเจอร์ทราเวลโดยดอกเตอร์วิภาวีเวีรวงด์อกเตอร์สอนชัยบุตรแก้วและอาจารย์พี่พัฒนพงศ์วัฒนกัลยากุณที่นี่วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ c o วเจอร์ทราเวลค่ะ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 สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเทพพิเศษของรายการเราค่ะรายการของเรานั้นนะคะจะย้อนลํำลึกนะคะการตามรอยเบื้องพายุคนระบาดในหลวงรัชกาลที่9นะคะณนะประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะรายการของเรานั้นนะคะก็จะเล่าถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งพระองค์นั้นเคยพำนับอยู่นั่นเองนะคะ สวิสเซอร์แลานด์นั้นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพระบาทสเมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญญลยเดชนะคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่๙นั่นเองค่ะเพราะที่นี่นั้นนะคะเป็นสถานที่ที่พระองค์นั้นทรงเจริญพระชนมพรรษาค่ะและประทับยาวนานร่วมถึง17ปีนะคะณเมืองเล็กๆที่ติดกับฝรั่งเศสค่ะโดยที่นี่นั้นมีธรรมชาติสวยงามนะคะดังนั้นทุกๆสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั้นก็ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจต่อประชาชนคนไทยอย่างเราอย่างมหาศาลค่ะ ที่แรกนะคะที่รายการของเรานั้นจะนำเสนอก็คือ เอาเดนโบเดนนะคะเมื่อปีคิริสกัลักราช1 9บ8บนยอดเข่าวเอาเดนโบเดนในช่วงฤดูร้อนนะคะเกรยองเซรารดาลิสนะคะคุณครูส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวิพลอดุลเด่นเด่ดนั้นและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอันันทมหิดลนะคะได้พาเจ้าฟ้าทั้ง3พระองค์ค่ะเสด็จเข้าค่ายฤดูร้อนณนะที่แห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเมืองสปิตมากนะะักค่ะสําหรับคนพื้นที่นี้นะคะฤดูร้อนนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนสําหรับครอบครัว ะะพาลูกหลานมาเดินชมป่ากันค่ะในช่วงฤดูหนาวก็ถือเป็นแหล่งในการเล่นสกีชั้นดีนะคะถ้าใครยังไม่เคยไปก็ลองไปดูนะคะที่ Boden เอาเดนโบเดนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง และที่ที่2ที่รยการของเราจะนำสนเสนอนะคะก็คือเกสซารค่ะเป็นที่ประทับฤดูหนาวครั้งสุดท้ายนะคะในการเสด็จเยือนสวิสเซอร์แลนด์ค่ะและเกสซายพาเลตนะคะเป็นโรงแรมที่พระองค์นั้นทรงเลือกประทับค่ะก่อนทรงตัดสินพระทัยนะคะทุ่มเทพรวรากายเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างเต็มที่และจะไม่เสด็จออกนอกประเทศไทยอีกนะคะ โดยในปีพุศ2กรานระคะในหลวงรัชการที่9กเนี่ยก็ส่งสอนพระโอรสพระธิดานะคะให้ส่งสเก็ตน้ำแข็งและสะกีซึ่งเป็นกีฬาที่พระองค์นั้นทรงโปรดมากค่ะและทรงฉลองวันปีใหม่ที่เมืองเกสซาร์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศนั้นก็เต็มไปด้วยความกเกษมสำราญค่ะพระองค์ทรงยามพระสวนเกือบทุกรูปเลยค่ะคุณผู้ฟัง เกสซาร์นั้นนะคะปัจจุบันนั้นก็เป็นเมืองเล็กที่ดูหรูหรานะคะและก็มีดูมีสินค้าราคาแพงติดอันดับต้นๆของโซนในยุโรปค่ะก็อยู่ทางตะวันตกเสียงใต้นะคะในเขตเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์นะคะซึ่งมีความสูงนะคะถึง 3,000 เมตรค่ะแล้วก็เป็นหมู่บ้านส ก, กี ที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะที่นี่ก็มีความเพียบพร้อมทุกอย่างคะ่ะมีทั้งสปาระดับสูงมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งติดอันดับหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็มีอาหารที่ได้รับรางวัลมิสซิลินอีกหลายที่นะคะที่พักโรงแรมทั้งในตัวเมืองแล้วก็ในหมู่บ้านเดิรอบเนี่ยก็จะมีการสัญจรกันค่ะสามารถสัญจรไปได้ระหว่างภูเขานะคะกับโรงแรมค่ะเพราะที่นี่ก็มีลิฟต์เชื่อมกันถึง62ตัวนะคะก็ใครมานะคะก็อย่าลืมที่โอเดินเบอร์เนสโอเบอร์แลนด์นั่นเองนะคะคุณผู้ฟัง ต่อไปค่ะถ้าใครยังไม่เคยไปนะคะก็ลองไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะที่ทะเลสาบกันบ้างค่ะที่ต่อไปแล้วก็คือเล克斯เดียมานั่นเองค่ะซึ่งคนทั่วไปนั้นจะเล่กันว่าทะเลสาบเจนีวานะคะโดยทะเลสาบแห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่สมาชิกราชสกุลมหิดนทั้ง4พระองค์นะคะได้เสด็จมาพักผ่อนกันอย่างเรียบง่ายตลอดระยะเวลา18ปีค่ะที่พระองค์พำนับอยู่ที่เมืองโลซานเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้ในหลวงรัชการที่9เนี่ยพระองค์นั้นได้ทรง เล่นเรือใบามาตั้งแต่ครั้งพยาวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทรงปโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษเลยนะคะและพระองค์นั้นทรงมีพระปีชาสามารถในการเล่นเรือใบค่ะจนถึงพระองค์นั้นมีพระอัจฉริยภาพในเรื่องการต่อเรือใบาจากฝีพระหัตเป็นของพระองค์เองด้วยค่ะทะเลสาบเลยมองนะคะหรือว่าทะเลสาบเจนีวานั้นก็มีความสวยงามที่ได้รับฉายาว่าไข่มุกริบวราแห่งสวิตนั่นเองค่ะ ก็ด้วยเหตุที่ว่าทะเลสาบแห่งนี้นะคะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่นะคะเป็นอันดับสองของยุโรปค่ะโดยมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองเอเวลนะคะของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะคะคุณผู้ฟังและโดยทําเลที่อยู่ระหว่างชายแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะคะรวมถึงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของเมืองน้อยใหญ่อันน่าลหลงไหลนะคะไม่ว่าจะเป็นไร่อันุ่นที่เขียวชอุ่มนะคะหรือว่านะคะโวลาสนะคะที่ปกคลุมด้วยภูเ ข, ขาหิมะตลอดปีนั่นเองค่ะ และที่ต่อไปนะคะที่รากาของเรานั้นจะแนะนําให้คุณผู้ฟังนะคะก็คือกรุงเบอร์นั่นเองค่ะเมืองนี้ไม่ใช่สถานที่ประทับของในหลวงและครอบคราชสกุลมหิดลโดยตรงนะคะแต่ครั้งหนึ่งนะคะในในช่วงหนึ่งนะคะในหลวงราชการที่9้าพราะองค์นั้นได้เสด็จณกรุงเบอร์อย่างเป็นทางการค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2 5งพนะคะในการเสด็จไปครั้งนั้นนะคะก็เพื่อเจริญสัมพันธ์พระราชมตรีระหว่างประเทศไทยและสมาพันธ์รัสเิียให้นั่นแฟนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งที่นี่ก็เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะและที่สำคัญค่ะเป็นเมืองมรดกโลกที่รับรองโดยยูเนสโกค่ะซึ่งสัญลักษณ์ประจำเมืองนะคะก็คือหมีค่ะเป็นเมืองเก่าโอชาวยุคกลางที่มีความงดงามนะคะมีการสร้างขึ้นบนเนินเขาค่ะอยู่เกือบกึ่งกลางของประเทศนะคะมีแม่น้ำนะคะ อาเอออบร้องมาทั้ง3ด้านค่ะและจุดเด่นของที่นี่นะคะมี3จุดก็คือหอนอาฬิกาซิกล็อกคอราวเวอร์นะคะมหาวิหารมินสเตอร์น้ำพุโบราณ น, นะคะที่มีอยู่รอบเมืองเบิร์นค่ะและสวนหมีนะคะบอร์เรนเกเบนนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะเราจะแนะนําให้คุณผู้ฟังนั้นได้รู้จักกับเมืองโลซานค่ะเมืองโลซานนั้นนะคะเป็นเมืองเล็กๆค่ะที่มีทิวทัศน์สวยงามนะคะอบล้อมไปด้วยทะเลสาบเจนีวาและหุบเขาน้อยใหญ่ลดหลันกันไปค่ะที่นี่ก็จะมีความเงียบสงบนะคะและเป็นเมืองที่สําคัญที่สุดในหัวใจของคนไทยนั่นเองค่ะเพราะมีสองพระมหากษัตริย์ไทยนะคะซึ่งทรงประทับและศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476จนถึง2488นะคะโดยมีพระบรม รัชชนีในรัช ก, กาลที่8และ9นะคะเป็นผู้ดูแลพระธิดาและพระโอรสอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ จึงทำให้เมืองแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองของพระองค์ที่หล่อหลอมพระองค์ในเรื่องของการศึกษากีฬาการเรียนรู้ในหลากหลายมิตินั่นเองค่ะดังที่เรานะคะประชาชนคนไทยนั้นเคยได้เห็นพระปีชาสามารถในแทบทุกทางของพระองค์นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการเป็นนักประดิษฐ์นักกีฬานักวิยทยาศาสตร์นะคะจนถึงภาษาที่พระองค์ท่านนั้นสามารถทรงตรัสได้หลายภาษานะคะก็เป็นเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นนะคะเป็นประเทศที่มีภาษาราชการมากถึง3ภาษานั่น เองค่ะก็คือภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสและภาษาอิตาลีนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะ เราจะนำคุณผู้ฟังให้รู้จักกับวิน ล, ล่าวัฒนาค่ะวิน ล, ล่าวัฒนานั้นนะคะเป็นพระตําหนักที่ประทับของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมรา ช, ชนานยมีนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น, นั้นถา้าไม่โดนและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะก็พระองค์นั้นก็ทรงประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันค่ะณนะเมืองปุยนะคะนอกเมืองโลซานนั่นเองค่ะถ้าเราหันหน้าไปทางทะเลสาบเจนีวานะคะก็จะเห็น เชื่อขา่าวแอลนั่นเองนะคะและการที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รักและห่วงใยประชาชนของพระองค์ในทุกลมหายใจ น, นะคะและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนไทยนั้นรักและเทิดทูนอย่างมากค่ะรวมถึงนานาชาติด้วยนะคะก็ต่างยอมรับในพระปีชาสามารถของพระองค์ค่ะนั้นนะคะได้ศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและตลอดระยะเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระองค์ทรงเป็นยุวกษัตรนะคะพระองค์นั้นก็ทรงเชื่อฟัง ในพระราชวาตของสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นอย่างดีค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเป็นจอมนักปราดนะคะซึ่งพระองค์นั้นนะคะก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลากหลายศาสตร์และศิลป์ค่ะล้วนเกิดจากการน้อมนำเอาพระราโชวาตของพระราชมารดามาปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชปณิธานที่พระองค์นั้นทรงปรารถนาให้ประสบนิกรไทยนั้นอยู่ดีมีสุขนั่นเองค่ะ โดยถ้อยคำสั่งสอนของสมเด็จพระศรินธารบรมราชชนนีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชนนั้นมักส่งเน้นย้าในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในด้านความรับผิดชอบเป็นหลักค่ะดังพระราโชวาทหนึ่งที่มีความว่าในครอบครัวเราความรับผิดชอบเป็นของที่ไม่ต้องคิดเป็นธรรมชาติสิ่งที่สอนอันแรกคือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทยถ้าไม่มีความรับผิดชอบจะไปช่วยเมืองไทยได้อย่างไรคะ่ะและอันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินแม่อยากให้เธออยู่กับดิน และต่อมาภายหลังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงมีพระราชปารพถึงสิ่งที่พระบรมราชชนนีเคยรับสั่งว่าเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดมุงม่งหมายอยากให้เราติดดินและอยากให้เราทำงานให้แก่ประชาชน เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการของเรานั้นนะคะก็นําเสนอเทปพิเศษที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นนะคะแห่งนี้ค่ะมีร่องรอยแห่งความทรงจำเมื่อครั้งในหลวงราชาการที่9นั้นทรงพระเยาว์ค่ะซึ่งพระองค์นั้นทรงเป็นมหาราชแห่งแผ่นดินไทยพระมหากษัตริย์นะคะอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะซึ่งพระองค์นั้นก็ดํารงอยู่ในหลายๆสถานที่และความระลึกถึงของพระองค์ท่านนั้นนะคะก็ไม่เคยจางหายและจะอยู่ในดวงใจของประสนนิกรเสมอและ ตลอดไปค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลของเว็บไซต์อเว New วนั่นเองนะคะก็การย้อนล้ำลึกตามเบื้องพยุคอรบาดของในหลวงรัชกาลที่9้าณนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะสำหรับช่วงนี้รายการของเราต้องขอพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและมาพบกับคุณ อ, อกากัสในช่วงต่อไปนะคะในช่วงวัฒนธรรมพาเพลินค่ะสําหรับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 มองหาโรงงานผลิตและศูนย์ให้คำรปรึกษาด้านสมุนไพรด้วยทีมงานมืออาชีพราคาย่อมเยาวปลอดภยัยได้มาตรฐานการันตีคุณภาพเชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโ ท, ท, ทรศูนย์2อ9 9้ RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรั บ, รบค่ะ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 วัฒนธรรมผาเพลินซึ่งออกอากาศทาง FM 89.5 มหาวิทยาลัยเทคโนิลยีราชมง ค, คลธัญบุรีซึ่งจะบอกบผมครับออกัสกพิพัฒนพงศ์วัฒนกัลยากุณรับหน้าที่ต่อจากพี่โบที่จะพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพืรรเ่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของแหล่งนั้นครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์พิเศษที่พี่โบนะครับจะพาทุกท่านเดินทางเพื่อไปย้อนรำลึกตามเบื้องพยุคนรบาทรัชกาลที่9กนะ้านับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับในความทรงจําของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่าทุกคนครับรู้แล้วแต่เป็นความทรงจําที่ล้าค่าและเป็นความทรงจําที่มีค่าที่สุดในชีวิตครับ หลังจากที่พี่โบนะครับได้พาทุกท่านไปย้อนรำลึกตามรอยเบื้องพิคนระบาดเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านคงอาจจะอยากไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาแล้วลใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้ไปย้อนรำลึกกันถึงในห่วงรัชกาลที่9ซึ่งเปรียบเสมือนนะครับบ้านหลังที่2ของพระ อ, องค์ครับ สำหรับรายการของเรานะครับเคยพาทุกท่านเทินทางท่องเที่ยวไปทเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เดี๋ยวอกด น, นะครับมามาเล่าให้คุณทุกฟังนะครับฟังเพิ่มเติมอีกว่าทเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เรื่องน่ารู้ก่อนเดินทางไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่านะครับจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ถึงจะเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์สวรรค์บนดินได้อย่างมีความสุขครับ สำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาตลอดไม่ว่าใครก็อยากไปเห็นสวร์บนดินที่นี่กันสักครั้งเพราะสวิตเซอร์แลนด์มีธรรมชาติสวยงามสะกดใจโดยเฉพาะภูมิประเทศแบบภูเขาซึ่งกินเนื้อที่ของประเทศไปกว่า60เซตเลยครับท่านผู้ฟัง โดยมีเทือกเขาที่สําคัญคือเทือกเขาแอลนั่นเองและถึงแม้สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ก็มีสเสน่ห์ในทุกตารางเมตรจริงๆสําหรับใครที่กำลังวางแผนนะครับอยากจะไปเที่ยวนะครับจะต้องมาทําความรู้จักกันอย่างเข้มข้นเลยก็ว่าได้ครับสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปโดยฝั่งทางตะวันตกของประเทศนั้นจะติดกับประเทศฝรั่งเศสครับทางตอนใต้นะครับติดกับประเทศอิตาลีในแอฟส่วนทางเหนือจะติดกับประเทศ เยอรมันนะครับด้วยทางกะวันออกจะติดกับประเทศ r ิกสแตนส์ไลนะฮะและก็ประเทศออสเตรียครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะไม่มีทางออกสู่ทะเลครับสำหรับประเทศสวิส์แนะครับมีเนื้อที่ราวๆนะครับ 41,285 ตารางกิโลเมตรซึ่งหากนะครับนั่งรถไฟจากเมืองเจนีวานะครับไปจดที่เมืองซูริคทางตอนเหนือนะครับใช้เวลาเพียงรานะครับมชั่วโมงเท่านั้น ภูมิประเทศกว่า 60% ของประเทศเป็นภูเขานั่นคือพื้นที่ของเทือกเขาแอลเช่่อการได้บอกไว้ข้างต้นครับมียอดเขากว่า100แห่งและส่วนมากก็จะสูงใกล้เคียงหรือมากกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวซึ่งในหลายๆที่ก็มีพื้นที่ในการจัดทำนะครับเส้นทางรถไฟเล็กเคเบิลคาร์เพื่อเนความสะดวกให้กับชาวสวิตเซอร์แลนด์ท่องเที่ยวได้ชมยอดเขาที่นี่กันอยา่างสวยงามเลยละครับ สำหรับสวิตเซอร์แลนด์แล้วแบ่งการปกครองออกเป็น26รัฐครับมีกรุงเบิร์นนะครับเป็นเมืองหลวงแต่นะครับเมืองใหญ่ที่สุดก็คือเมืองซูริกครับมีประชาชนรวมทั้งประเทศนะครับประมาณ 8,41,120 คนนะครับซึ่งไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาราชการของสวิตเซอร์แลนด์มีถึง4ภาษาด้วยกันคือภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีและภาษาโรมานครับ จุดนักสำคัญของประเทศอย่างหนึ่งก็คือธงสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงมีกากรบาทสีขาวอยู่ตรงกลางอันเป็นต้นแบบของธงกาชาดสากลนั่นเองครับซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นที่ตั้งของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะครับก็อยู่ที่นครเจนีวาครับ และด้วยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาจึงทําให้อากาศของซูสแลนน์นั้นเย็นสบายตลอดทั้งปีฤดูร้อนนะครับอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนส่วนฤดูนะครับใบไม้ร่วงนะครับก็อยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมและฤดูใบไม้ผลิครับจะอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคมครับ ประเทศสวิซอร์แลนดนะครับมีเวลานะครับที่จะเดินช้ากว่าประเทศไทย6กชั่วโมงสกุลเงินของสวิตเซอร์แลนด์นะั้นเรียกว่าฟรังก์สวิตนะครับโดย1ฟรังก์สวิตเท่ากับสามสิบจุดห้าสิบห้าบาทก็ประมาณส1สิบเอบาทไทยก็ว่าได้นะครับซึ่งข้อมูลก็อยู่ที่สตุลาคมสองพันรอสิบสองครับ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ควรเตรียมแลกเงินฟรังสวิตไปนะครับเพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่จะรับแค่เงินฟรังสวิตเท่านั้นแล้วก็มีรับเงินยูโรบ้างแต่ก็ไม่เยอะเติียมบัตรเครดิตไปด้วยก็ดีนะครับเผื่อกรณีฉุกเฉินครับ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์จะต้องขอวีซ่าแบบเชงเก้นครับซึ่งถ้าขอมาแล้วก็จะสามารถเข้าออกได้ทั่วทั้งยุโรปเลยยกเว้นประเทศอังกฤษนะครับแต่เรื่องเอกสารก็อาจจะยุ่งยากและมีค่าธรรมเนียมแพงพอสมควรถ้าไปแผนอยู่สวิตเซอร์แลนด์นานกว่าประเทศอื่นก็ยินดขอดที่สถานทูตประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยครับซึ่งดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ที่เชงเก้นวีซ่าอิน o com ครับ รับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับจะใช้กระแสไฟฟ้าแบบ220โวลต์ตัวปลั๊กจะเป็นแบบ3าขาคมเตรียมนะครับ Universal adapter ไปด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานการปรลอมิ่งหรือการซื้อซิมการที่สวิตเซอร์แลนด์ในกรีเดินทางเที่ยวหลายวันแนะนําให้ซื้อเป็นซิมการครับเพราะว่าน่าจะคุ้มกว่าและก็นะครับไม่ต้องกัวงวลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจจะถูจับค่าแกะด้วยและยังมีหลายค่ายนะครับให้บริการด้วยก็สามารถซื้อได้ที่สนามบินเมื่อท่านผู้ฟังเดินทางไปถึงเลยครับ การวางแผนนะครับจะมาเดินทางท่องเที่ยวให้ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องมาทำความรู้จักกับอันนี้เลยครับสวิตพา r t s ครับ ซึ่งเป็นบัตรเดินทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะสามารถใช้บัตรนี้ในการเดินทางโดยรถไฟฟ้าโดยสารรถไฟฟ้ า, าท่องเที่ยวบางสายต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับรถโดยสารประจําทางและเรืออยู่ในเครือข่ายได้ทั่วสวิตเซอร์แลนด์ครับอีกทั้งยังให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้กว่า500แห่งและใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรขึ้นยอดเข า, าต่างๆและยังสามารถให้เด็กอายุ 5-15 ปีเดินทางฟรีได้ด้วยยังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ swisskidspass.ch ครับ ในการจองที่นั่งนะครับสำหรับการเดินทางจะมีแค่2ประเภทคือระดับ first class และ second class ครับใครนะครับที่อยากนั่งลูดู ก, ก็ต้องจองชั้น1ไปเลยนะครับแต่ใครที่ยอยากแบบว่าอุยชั้น2ก็สบายๆนะครับก็สามารถนะครับที่จะนั่งชั้น2ได้ก็สะดวกสบายเหมือนกันครับ ระบบขนส่งสาธารณะของอสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของโลกเลครับก็ถือว่าดีมากๆเลยการเดินทางท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์จึงง่ายดายและก็สะดวกมากครับถ้ามีเวลาเยอะๆเนี่ยบางเมืองก็เหมาะที่จะเดินเที่ยวเพราะไม่อันตรายเส้นทางก็ไม่ซับซ้อนแต่ถ้าเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะต้องโน้ตกันไว้สักนิดหนึ่งครับว่าเขามาตรงเวลามากนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสายเพียงแค่นาทีเดียวก็อาจจะพลาดรถขบวนนั้นได้เลยครับ ประเทศสวแนดนะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าของชีพสูงมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งค่าใช้จ่ายในหนึ่งวันนะครับจะตกอยู่ที่ราวๆ3 0พันถึงันบาทต่อคนค่าอาหารมือ้อละประมาณ5้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทต่อมือ้อค่าทิพักก็ ถือว่าสาหัสการพอสมควรกันต้องรับฟังนะครับเพราะว่าถ้ามีเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวนค่าที่พักก็อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เราตัดลงเหลือเพียงพาคเก็ตเฮาส์หรือโฮเทลนะครับราคาก็จะเบาลงมาหน่อยแต่คุณภาพนั้นบอกได้เลยว่าขับแก้วจริงๆเลยนะครับเพราะว่าใครจะวางแผนไปเที่ยวด้วยตนเองเนี่ยจะต้องเตรียมในเรื่องค่าใช้ใจ่าย ให้ละเอียดนะครับพอสมควรเลยทีเดียวครับสำหรับจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวด้วยต้องการเที่ยวชมมากที่สุดในชูเซนแอนก็คือยอดเขาต่างๆโดยเฉพาะยอดเขาเชื่อเขาเอลนะครับยอดเขาที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองครับ สำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นแหล่งผลิตนาฬิกาคุณภาพระดับโลกซึ่งแต่ละแบรนด์นะครับก็จะหรหลาราคาแพงบางรุ่นก็มีจำหน่ายแค่เพียงในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นนัก่เที่ยวจาึงนิยมนะครับที่จะมาซื้อนาฬิกากันที่นี่แบรนด์ชื่อดังครับอย่างโลเก x นะครับอย่าง o m ม g a กนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้ที่นี่เลยนะครับ และอย่างสิ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยของสวิตเซอร์แลนด์นั่นคือช็อกโกแลตครับหลายคนกล่าวว่าช็อกโกแลตที่นี่นะครับคุณภาพดีที่สุดในโลกนะครับก็คือมันอาจจะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดที่จะลิ้มลองรสชาติของที่นี่เลยทีเดียวนะครับเมนูยอดฮิตของนักท่องเที่ยวคือฟองดูนะครับก็คือจะถูกใจสายที่ชอบรับประทานอาหารแบบประเภทหวานๆนะครับส่วนอาหารอื่นที่น่าสนใจของสวิตเซอร์แลนด์ก็ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันครับ นอกจากนั้นนะครับของฝากก็ยังมีประเภทไว้นะครับชาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวธรรมชาติเครื่องสำอางแผ่นมา์กหน้ามีดและชุดเครื่องมือเอกประสงค์แบบพกพาหรือว่าจะเป็นนะครับในเรื่องของน้ำหอมที่นี่ก็ถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันครับ เป็ยังไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลนะครับสวิตเซอร์แลนด์ที่จะทําท่านผู้ฟังนะครับอยากที่จะเดินทางนะครับไปท่องเที่ยวดินแดนแห่งสวรรค์บนดินที่แล้วนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าข้อมูลนะครับที่ทางเรานะครับได้จัดเตรียมให้ท่านผู้ฟังจะสามารถทําให้ท่านผู้ฟังนะครับเดินทางไปเทียวสุิตเซแลนได้อย่างสุขใจครับ ซึ่งสัปดาห์นี้นะครับออกกันแล้วก็พี่โบนะครับได้หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอราท่านผู้ฟังไปก่อนและขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชน c o โอพร้อมกับกระปุก .com นะครับที่เอือเฟอ้อข้อมูลในการเดินทางในครั้งนี้สําหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเดินทางไปที่ไหนหรือว่ามีเทป พ, พิเศษอะไรนั้นจะต้องติดตามในสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้ออกอากาศแล้วพี่โบขอราท่านผู้ฟังไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ